วิธีสละของที่เป็นนสิสกีสลาแก่สง์ภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาสง์ห่มอุตราสงเฉวยงบาข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าของนี่ดิฉันให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่สง์แลกเปลี่ยนมาเป็นนสิสกีดิฉันขอสลากของนี้แก่สง์ คันสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนของที่เธอสละให้นั้นด้วยยติกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าของนี้ของภิกษุณีชื่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุณีรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุณีหลายรูป โฮมุตราสงชว่วยงบาข้างหนึ่งกราบเทา้าภิกษุณีผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายที่ชันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัตพึงคืนของนี้ให้แก่ภิกษุณีชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุณีรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุณีรูปหนึ่งโฮมบุตราสงช์ช่วยงบาข้างหนึ่ง นั่งระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันขอสละของนี้แก่แม่เจ้าครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติดิฉันคืนของนี้ให้แก่แม่เจ้า